พระมหากษัตริย์ทั้งเก้าพระองค์เป็นพุทธศาสน์เป็นอุปถัมภกผู้บำรงพระพุทธศาสนามีคณะสงฆ์มีพระราชบัญญัติในประเทศไทยมีอุบาศกมีวัดศิกาพวกเราเป็นนักบวชจววุตวาอารามก <c oughs> ็มี กรูประชาครู่าอาจารย์มีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นี่ก็มีนักปวดมีพระสงฆ์มีสมณีนสมณเนลีมีแม่คี้มีอุบาสกมีบาสิกาวัดวาอารามที่เราอยู่ก็เป็นสถาบันเพราะว่าได้มีกติมีศาลามี ที่ลงทานลงอาหารมีสำนักการมีคลังสิ่งของไม่พ่อหม่มไม่จีวรมียารักษาโรคมีไฟฉายมีเครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกแก่วพวกเราพวกเรามีสิทธิที่จะไปใช้ได้ไม่สงวนเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัว ของที่อยู่ที่นี่เป็นส่วนรวมทั้งหมดเรียว่าเป็นของสงฆ์้วเราก็มีธรรมมีวิ น, นัยอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีธรรมสามัญลักษณะเสมอกันมีศีลเสมอกันทุกิวิธิมาที่นี่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมสแสวงหาสิ่งปเป็นเสฐเดียว่าอาริยะ ปริเทศนาแสวงหาสิ่งกระเสดคือมรรคผลนิพานการที่เราแสวงหาวิธีที่เราศึกษาก็มีแบบมีแผนมีพระศาสดามีพระพุทธเจ้ามีคระกรรมการยิ่งใหญ่คือภาษาภพอูดลู่ตามพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐาน ในตัวมีตนแม่มพงศชราของเราปรฏิธิพานไปพระองค์ก็มอบให้ธรรมวินัยเป็นศาสตราแทนพระพุทธเจ้าธรรมวินัยยังมีตัวไม่ตนแต่ทำบาปเองก็ย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำรรบาปเองก็หมดจุดเองนี่เรียกว่าศรรสาสตราคือธรรมะ คือข้อวัดปฏิบัติพวกเราจึงไม่งงมสาวๆเป็นขวบชัดเจนไม่สุ่มที่ไหนโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติธรรมที่เราทำอยู่เจริญสติตามหลักที่พระพุทธเจ้าตัดสลู้เรามาจับเส้นทางเส้นนี้เพื่อไต่เต้าเพื่อเดินตามไป ให้เราจะเป็นผู้ศึกษามามากผู้คงแก่เรียนมามากหรือผู้ที่ใหม่ต่อการศึกษาก็อันเดียวกันถือว่ารวบยอดรวมยอดของการศึกษาแต่เราจะเรียนไปสู่พระพิธรรมพระเว น, นัยมันก็อยู่ตรงนี้ล่ะคือการเจริญสติขณะที่เรามีสติมันก็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 จเจริญสติสติมันก็มีเมื่อมีสติมันก็จะเห็นอะไรที่ไม่ใช่สติมากมลายที่มันเกิดขึ้นขณะที่เรามีสติเหมือนที่เราลื่นตามันก็ต้องเกิดการเห็นเมื่อเรามีการเห็นเราก็ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง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 มันเป็นดวงตาภายในมันเห็นทั้งวัตถุมันเห็นทั้งนามธรรมวัตถุก็คือลูกทั้งหลายทั้งหลายเสียงทั้งหลายก็เป็นวัตถุกลิ่นทั้งหลายก็เป็นวัตถุรสทั้งหลายก็เป็นวัตถุอารมณ์ที่เป็นนามธรรมมันก็เป็นวัตถุเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งนามเจ็บปวดเป็นกันอารมณ์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 ความโลภความโกรธความหลงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเรามีสติเราก็เห็นโอ้เห็นออาตวโ ต, ตบทักท่วงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราเจริญสติอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องทาได้ทำไม่ได้ให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 เป็นคำตอบของสติสัพยัญญาดูแล้วรู้แล้วนะมันวัยมันวัยมันแล่วไปแล้วมันสุขมันก็เห็นมันแล้วไปแล้วมันก็รู้มาใหม่มันทุกข์ก็เห็นแล้วมันแล่าไปแล้วความทุกข์มันหลงก็รู้แล้วมันแล่าไปแล้วความหลงควารู้สึกตัวก็เดินก้าวหน้าไปเรื่อย ก้าวล่วงไปเรื่อยๆข้ามพ้นไปเรื่อยๆมันไปนะความรู้สึกตัวเน่มันไปถ้าจะเรียกว่าเราเป็นต้องปวดบวดนั้นก็ไปแล้วไปจากอะไรไปจากความผิดความทุกข์ความโลกความโกรธความหลงต่างๆแต่ว่าบวดบ่อไปไม้บ่อแหวนช่อช่าง เป็นภาษาบาลีถ mm ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าไปจากความชั่วไปไหนไปสู่ความถูกความต้องความดีสู่สินสู่ธรรมสู่มรรคสู่ผลไปไกลถึงที่สุดถึงมรรคถึงผลจุดหมายปลายทางนี่พระวจนะเนี่ยแปลว่าไปจากความชั่วนี้หันหลังให้ความชั่ว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 สึกออกไปจนเรียกว่าทิศหรอ่าบัณฑิตผู้รู้เหมือนิตแปลว่าผู้รู้แล้วทนจากความหลงไปแล้ว้นจากความโกรธไปแล้วทนจากความทุกข์ไปแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นมาแล้ว้นมาแล้วโดยพอพระปฏิบัติสมบูรณ์แบบในการบวชพำให้เป็นนักบวชได้การเจริญสติเนี่ย ไปให้เกิดเป็นนักบวชได้เอ้าถ้าญาติโยมยังุ่งกางเกงขาสั้นขายาวยังใส่ผ้าทงยังใส่เสื้อผ้าก็เป็นคุณธรรมเป็นบวชเหมือนกันแต่ว่าบวชเป็นคุณธรรมถ้าบวชที่เป็นสมมุติเหมือนกับพวกเรานะถ้าเข้าถึงคุณธรรมพลเรียกต่างกันไปเลยว่า เรียกว่าพระสงฆ์พระอริยเจ้าเป็นพระอริยะเจ้าถ้าเป็นคราว่าเจ้าโจมก็เรียกพระอริยบุคคลไม่มีคําว่าเจ้าเหมือนพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชกว่าพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิชยญาณ น, นาวโร ล, ลด คือเป็นเจ้าถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าก็สมเด็จพระสังฆราชอะไรก็ว่าไม่ไม่เจ้าถ้าเราเป็นนักปวดเป็นเพศตัปวดโกนผมห่มจีวรถ้าได้บรรลุธรรมก็เรียกว่าพระอริยเจ้าถ้าเปรีาายบคารวะเจ้าโจมเรียกว่าพระอริยบุคคลก็ได้ทำเท่ากัน เป็นคุณธรรมเสมอกันแต่ว่าสามัญลักษณะเสมอกันอันนี้สิทธิพวกเราแต่ว่านักปวดสะดวกกว่าคลรวาเจ้าโจมหน้าที่โดยตรงเวลาก็เพื่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงถ้าเป็นนักปวดไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าใช้ชีวิตผิด ผิดห้าที่พอบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเราสิกขาแลยทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลือนแล้วเราอุทิศต่อพระพุทธเจ้าเราจึงมาบวชเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมพระสงฆ์พระัตนาตรัยเป็นทงชัยสะพัดวิววิวอยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่บวชเพื่อบนบาลสารกล่าว ขึ้นต่อพรัตนาใจเราจึงปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางการจเจริญสติเป็นการเดินก้าวไปหาพรัตนาใจให้ถึงพรัตนาใจจนเกิดพรัตนาใจในชีวิตเราขอะพุทธพระธรรมพระสงฆ์การจเจริญสติเนี่ยควมรู้จึกตัวนเป็นหน่อโพธิเป็นหนอ่นหนอพุทธะ เป็นหนอนะเป็นหน่อโพธิ์อ่ะปูกลุกไปในกายในจิตของเราอย่างที่พูดเมื่อวานหน่อโพธิเนี่ยก็มีโอกาสงอกงามได้ไวอาจจะไม่งอกงามแกนไปเลยก็ได้ถ้าถ้ารักษาไม่ดีเหมือนต้นไม้ขาดน้าหรือเหมือนต้นก้าขาดน้า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 พอปลูกไปใหม่ให้ปุ๋ยบำลงอย่างดีพอต่อไปอีกไม่ให้ไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ยต้น้อ้ต้นเราก็เสียเนิ้อสอ่อนแอแกนไปเลยการทำอะไรก็ต้องมีความพอดีความเป็นกลาง อ่างต้นอ้อยที่เขาให้ปุ๋ยกันมากมากพอแร้งแล้วก็เหี่ยวตายไปเลยมันโลกเหมือนคนเราความโลบด้อยเอาเก็บเอาสนนก็เป็นของกูของกูของกูพอสิ่งเหล่านั้นเสียหายไปเสียใจทำใจไม่เป็นหนักปวดอ่อนแอสุ ข, ขุมมรสชาติ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 เกี่ยวข้องกับสิ่งไหนก็ถูกท่าไม่เข้มแข็งอย่างเราสวดตังค์ขณะประ จ, จเวกการเกี่ยวข้องกับกีวร น, นุ่งหม่มเพื่อบงบัดความหนาวเพื่อบงบัดความร้อนเพื่อป้องกันเหลือบจงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพื่อปิดเอาเยบวะาอันให้เกิดความละอายเท่านี้ไม่ใช่หลูหลาโก้สวยงามเพื่ออวดเพื่ออ่างไข่ อาหารบิณฑบาตเพื่อบรรเทาความเหนวเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อมีความผสุขเพื่อประพฤติภมาจรรย์ในชีวิตเพื่อประพฤติภรหมาจรรย์ไม่ใช่เพื่อลาบสักะุะเสียงเสือนเยินยอไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก็ป้องกันอร่มแดดและสัตว์เลือ้อยคานเพื่อ ดินฝ่าอากาศฝนตกเดือดตเพื่อบําเพ็ญภาวนาหลบลี้หนีหามุมสงบให้กับตัวเองไม่ใช่เพื่ออยู่ผู้คงสะดวกมีน้ำมีไฟมีเฟอร์ิเจอร์มีเครื่องอํานวยความสะดวกไม่ใช่เพื่อบําเพ็ญภาวนาอยู่ที่ไหนเพื่องานนี้เพื่อภาวนาแอ่ เก็บเพื่อได้ป่วยยารักษาโรคเพื่อบันเทาทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลไม่ใช่หาอยู่้ายามากินเพื่อบำรุงอยาดองนั่นยาดินนี่เวทนามันเองจึงใช่อยูกใช่ยาถ้าไม่มีเวทนาอาพาธฉันยาลงไปเพื่อพุ่งป่วยเป็นอัปบทกินยาหนุนกินยานี้ไม่ใช่ เราก็เหนือแล้วมาแบบเหนือเหนือทำไปไหนไม่ไม่หลงกับสิ่งใดยิ่งพวเรามาปฏิบัติเสริมเข้าไปเขียวไปเลยบนชีวิตเราบริสุทธิ์ไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยมันสร้างภพมจันท์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 แสดงว่าอาบล้างไปแล้วบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาศีลทําให้บริสุทธิ์สมาธิทําให้บริสุทธิ์หมดจดปัญญาทําให้สะอาดหมดจดหลุดพ้นเพื่อหลุดพ้นเห็นความหลงหลุดพ้นจากความหลงเห็นความโกรธหลุดพ้นจากความโกรธเห็นความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์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 ดื้ออะไรเท่าไหร่ดอกกิเลสตันะลาา่ะคะความชั่วอกุศลลธรรมทั้งหลายมันขี้แพ้อยู่แล้วไม่มีท่าเป็นความหลงเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวเนี่ยควมหลงไม่มีท่าเลยไม่มีท่ามันไม่ดื้อด้านอะไรความรู้สึกตัวเนี่ะ ความรู้สึกความระลึกได้ในะมันเป็นทรรมที่ชำระอะไรอะไรก็ได้เหมือนกับเสื้อผ้าที่มันติดสิ่งสกรปกสกรกโสโครกไม่น้ำยาซักพวกมันอยู่ไปได้ความสกรปรก มันไม่ใช่เนื้อผ้าความบริสุทธิ์ความหมดจดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็รักษาธรรมชาติความบริสุทธิ์ในไว้เดี๋ยวนี้เราไปใช้ชีวิตแบบสุกซุกสนฉดไปเปื่อยไปเพื่อเลยไม่เคยดูไม่เคยแหละบางทีจะติดมาม า, มากบ้างน้อยบ้างสำหรับชีวิตเรา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 เราก็เคยผ่านเคยพ้นมาแบบนั้นอย่างคนติดเหล้าพอมาปฏิบัติธรรมก็เหล้ามันก็โชติดปุร๋ยบุร๋ยมันก็โชมากที่สุดเลยว่ามันเป็นนิโคตินมันเสกติดมันมีสารมันมีนิโคตินมันมีอเข้าไปอยู่ในสายเลือดก็โช พอเขาอดเขาพ้นไปเขาก็จริงเวลาไปสอนขนเขาก็สอนได้งั้นสมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่มไปสอนเขกติยาเสพติดมีเข้าไปในค่ายตำรวจด้วยเข้าไปในแหล่งยาเสพติจับมาสอนไปด้วยกันกับฆราวาสคนนั้นฆราวาสนั้นเขาก็เป็นคนติดยามาก่อนเขาเลิกได้ เขาเลิกได้เขาก็ไปสอนเวลาเขาสอนเขาเคยเป็นขี้ยาไปสอนขี้ยาขี้ยาฟังคําพูดของเขาก็ชอบมากห่อยใจเวลาหลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่เป็นขี้ยาไม่ได้สอนธรรมะพอสอนเขาเขาคงง่วงเขาหันนอนพอขี้ยาสอนเขาอุ้ยตาสว่างขึ้นมาเลยอ่าพอพูดจบลงไปเข้ามา เขาลกเป็นแถวแถวคนที่มีประสบการณ์ความเร็วร้ล่ต่างๆ <c oughs> เขาชนะได้เนี่ยเประสบการณ์ของเขาไปบอกไปสอนชีวิตเราก็มันกันดีแล้วที่มันเกิดอะไรขึ้นมากๆจริตนิสัยแบบไหนลาคาจริตโทสะจริตโมหะจริต เราจะได้เห็นเลยได้ผ่านพ้นได้โดยวิธีนี้วิธีนี้เอา้าวิธีไหนก็ตามจะเป็นลาคะจริตโทสะจริตโมหิจริตสติสมัมปชัญญะทั้งนั้นไม่ใช่วิธีอื่นลังทีเขาก็บอกว่าราคะจริตต้องเพ่งอสุภกรรมฐาน โทสจลิตต้องแผยเมตตาโมหจะจลิตต้องเจริญสติเป็นคู่ปรับไม่ไม่ใช่เอาความคู่ปรับคือความรู้สึกตัวอย่างเดียวไปได้เลยหลุดสบายมากจะไปเพ่งอสุภากรรมฐานอสุภาก็คือเห็นความคิดมันน่าเกลียดมันหลงความหลงนี่แหละเป็นอสุภากรรมฐานไม่ใช่ไปอวา ส, าสัชศ เคยมีเพื่อนกรรมฐานสมัยเป็นหนุ่มเข <c oughs> าบอกว่าเขาจะทำหนังสือกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบแล้วคณจะทำแบบไหนละ่ะจะอยากได้ศพผู้หญิงสาวสวยตายสดๆจะทายเอาจะถายเอาต้องโป้ต้องปวยให้มัน ข <c oughs> ึ้นตืดให้มันเน่าให้มันอ่าเละให้มันกระจุยกระใจจนเหลือแต่กระดูบโอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่อสุภาษแบบนั้นอะอสุภาษจริงมันลมหลงนี่แล้วหลงก็คิดไปก็บรูงแต่งเป็นกิเลส ต, ตัณหาไม่ใช่ไปเอาภาพแบบนั้นภาพแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่จริงของจริงมันเกิดจากความหลง มีสติเข้าไปเห็นมีสติเข้าไปเห็นเห็นความหลงต้นตมันก่อนที่จะมันจะเกิดราคะจริตมันต้องเกิดความหลงก่อนที่จะมันโทสะจริตมันต้องเกิดความหลงก่อนที่จะเป็นโมหะจริตเนี่ยโมหจริตเนี่ยตัวตัวแปรที่ทําให้เ ก, ก, กิดโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะเกิดอิจฉาเบียดเบียนได้เพราะตัวหลง ควบตัวหลงคือความรู้สึกตัวพอดีกันเลยกับพวกเราที่มาสร้างอยู่เนี่ยที่เรามาสร้างเนี่ยพอดีกันเลยนะมาทีไรก็ปั๊บทันทีเลยตัวรู้ตัวห ล, ลงไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลอะไรได้ง่ายๆปฏิบัติทำได้หลักอย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าบุกเบิกให้พวกเราใช่ไปเลยใช้วิธีปฏิบัติไปเลย พูดก่อนทำก่อนคิดรู้สึกระลึกได้ใช่ตรงนี้เลยมันไม่พูดไปทําไม่คิดก็รูปเป็นฐานกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานมันเป็นการกระทําอยู่แล้วมันเป็นที่ตั้งไว้อยู่แล้วมันตั้งไว้อยู่แล้วอ่าสมบูรณ์เราก็มีจริงๆกียรูกของเราก็มีจังเกียร์เอามาทําเอามาสร้างกรรมฐานมาสร้างตัวรูปมันก็สร้างได้ ไม่ใช่สร้างไม่ได้ไม่มีใครทำไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้เรามือวางไว้บนเขา่าเราก็รู้ว่ามือเราอยู่บนเขา่าถามใครก็รู้กันเท่านั้นเรามือวางไว้บนเขา่ามือคนอยู่ไหนเขาก็ตอบได้ว่ามืออยู่บนเขา่าอะไรที่รู้ว่ามืออยู่บนเขา่าเป็นความรู้สึกตัวเพราะนั้นและสติ อ่าเขาก็ตอบได้เรียกว่าปฏิบัติได้ให้คนได้ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในสิ่งที่คนเราทำไมได้สมบัติของคนเรานี่แหละความรู้สึกตัวความหลงไม่ใช่สมบัติของเราหรอกเป็นความชอบทำที่สุดแล้วความรู้สึกตัวนะให้พากันกระตือรือร้นสักหน่อยอย่าทอดทิ้งอย่าทิ้งหน้าที่ กายของเราใจของเรานะ่ะสมบัติของกายของใจของเราคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวนะอย่าไปปล่อยให้ความหลงมั่ครองกายของใจหรอกมันเสียโอกาสมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นธรรมต่อกายตัวใจมา ก, อก่อกู้มาใช่สิทธิ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 เป็นผู้เป็นคนเป็นขวางพรอมมาถึงตันนี้ล้วต่อยอดให้พ่อให้แม่เอามาทำความดีไปต่อยอดไปเลยเอากายมาทําความดีเอาใจมาทําความดีมาปฏิบัติธรรมนันก็เป็นผลกระทบต่อพ่อต่อแม่ด้วยให้ทางที่ดีนะถ้าเราไม่ต่อยอดตรงนี้เราเสียแหรง การมีชีวิตที่เกิดมา ก, การปฏิบัติธรรมไหน ม, นมันมีสูตรอยู่แล้วมันมีสูตรอยู่แล้วกายานุปัสสนามีสติเห็นกายอ่าทำไงมันจึงจะเห็นนี่แหละอริบุตร14จังหวะหลวงปู่เทียนในยุคนี้สมัยนี้เป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการสอนให้คนมีความรู้สึกตัว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 กว่าปียังเป็นมักเป็นผลไม่ว่างจากไหสกเกเมพิกขเวพิกษุสมมาไว้ใหโลยงอรุณสุนโยโลโกโอรหันเตหิอสักพิสุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันนี่แหละอยู่โดยชอบคือมาเจริญสติเนี่ยแล้วพวกเราก็จงใจ ที่สร้างวัดสร้างว่าญาติโยมให้ความบูธรรมเพื่อให้พวกเราได้อยู่โดยชอบไม่ต้องไปทำอาชีพจินเดอรไม่ต้องไปข้าไปขายที่ไหนไม่ต้องข้นขวยเรื่องอื่นทําไม่ได้ผิดที่ไหนไปข้าไปขายไปค้นขวยหาลาบสักกล้าไม่ได้ อ่าก็อุปธรรมบำรุงหลวงวัดป่าสุขโตอ้าห้าล้อยไล่มีกติอยู่คนละหลังลูปละหลังเขตอบาสศกาเขตพระภิกษุสงฆ์ม่ผู้ปรุงอาหารมนบินทบาทมีกิจกรรมมีวิจรริตวัดวิธีวั ด, ววดตื่นขึ้นมาก็มาร่วมกันสวดมนต์บ่อยพระ สาธยาย ร, รมให้ตัวเองฝักพร้อมก่อนสวดสิ่งที่เราสวดเป็นการเป็นธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระอรหันนะเราสวดธรรมบัตรเนี่ยทำให้เกิดเป็นพระอรหันได้อันนั้แต่ละขณะสูตรว่าบทต่างๆที่เรามาสวดลำดับมาแล้วก็แปล มันจเจริญ ม, มาถึงปันนี้แล้วแต่ก่อนนี่ธรรมวัดไม่ค่อยแปลหรอกมาถึงยุคเจ้าคุณพุทธทาสอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยการแปลหนังสือธรรมวัดน์สนมนมีสองลูกอาจารย์พุทธธ า, า, า, า, า, า, า, า, กา ส, ธ ส, ส ก, าาธากับอาจารย์มหาธานิตอาจารย์มหาธานิตฐ์เนี่ยเรียนเข้าประโยคอาจารย์พุทธทาสเปลียนสามประโยคถ้าจะว่าแล้ว อาจารย์พุทธทาสเนี่ยเพราะที่สุดเช่นภาวัตัวสอบพมังคลังด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าท่องปวงเป็นเป็นอาจารย์มหาเนิตรแปแต่อาจารย์พุทธทาว่าด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าอ้มันเพราะดีไม่ต้องทัองปวงครับ สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงอาจารย์พุทธทาสบอกสัพพธรรมานุภาพเวนะด้วยอานุภาพแผงพระธรรมอันโก้มันไปได้สวยเนี่ยตัดทั้งปวงออกนี่ยมีสองโรปที่แปลให้พวกเราสวดสวนมากก็แพร่หลายเป็นของอาจารย์พุทธทาส เราก็สวดโต้สวดเราเราก็แปร ى, เราได้เรื่องได้เราพุโทโธโอผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครเป็นผู้ลูกใครเป็นผู้ตื่นใครเป็นผู้เบิกบานก็เรื่องของส่วนตัวเราไม่ใช่ว่าเป็นภาษาโนเกลกโนขนทออะไรทำให้เราลู่ตื่นเบิกบานคือความรู้สึกตัวนเะนี่ยเรามาปูกพุทธะพุทธโธเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะ่ะ พุทธะเกิดขึ้นตรงไห น, นเกิดขึ้นที่ควมรู้สึกตัวไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่อยู่เกิดอยู่สีมหาภูโหธิก็คือตัวสติตัวปัญญาเป็นภาษาธรรมได้ทั้งภาษาธรรมได้ทั้งภาษาคนโหทิคือตัวสติปัญญาไม่หนีจากที่นี้ ไม่หนีจากสติปัน ส, ส, สติสัมปชัญญะลองดูผู้ใดจะเลื่สติสัมปชัญญะต่อเนื่องเจ็ดวันถึงหนึ่งวันถึงเด ว, วันเนี่ยอนิสงส์เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์หนึ่งเดือนถึงเดเดือนหนึ่งปีถึงเ็ดปีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าทาย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 ถ้าไม่รูดลูบลูดนามยังเป็นคนมันจะเป็นมนุษย์ตอนที่มาลูกจากลูบทำน้ำทำสามารถเป็นพระได้ไปไหนมนุษย์โซสิเวลาเราไปบวชอุปชาถามธรรมอุปัชาอาจ า, จารย์ถามมนุษย์โซสิเป็นมนุษย์หรือยังเราก็อามาพันเตเป็นมนุษย์แล้วเออถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นพระได้ถ้าเป็นคนอยู่ยังเป็นพระไม่ได้ ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์หมายถึงกิตมีสติมีศีลมีสมาธิละผิดชอบละความดีเพียุที่จะละความชั่วทําความดีนี่ไปทางสูงสูงคนนี่ยไปทางต่ำต่ำความคิดก็คิดไปต่ำต่ำมนุษย์เนี่ยก็คิดไปสูงสูงคิดถึงศีลถึงธรรมละความชั่วทําความดีเอากายมาทําความดีเอากายมาละความชั่วเอาจิตใจมาทําความดีเอาจิตใจมาละความชั่วทําได้สําเร็จ มันก็ทําได้สําเร็จจริงๆเอาลูกเอานามมาละความชั่วเอาลูกเอานามมาทํำความดีแต่คนเนี่ยเอารูปเอานามไปทําความชั่วความหลงมากกว่าความรู้แต่ก่อนนะหลงที่มันหลงมากที่สุดขึ้นหลงไปในความคิดพอมามีสติเห็นตัวหลงเกิดจากความคิดเนี่ยโอ้เปลี่ยนตรงนี้อีก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 พอมาชนะตรงนี้แล้วโอ้เปลี่ยนไปเลยเบาวิวเน่ยชีวิตจิตใจของเรานาะเห็นไหมเห็นมันหลงแต่ทางความคิดไหนเห็นทุกคนไม่มีใครไม่เห็นมันยังเห็นมากอ่าก็รู้เอารู้เอามันหลงเท่าไหร่ก็รู้เอารู้เอามันก็ทําได้มันก็ทําไ ด, ได้ความหลงเน่ย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 แต่ก่อนเขายึดครองไปหรือว่ากลุ่มพันหรือไปยักษมันเอาชีวิตจิตใจของเราไปครองอยู่ความหลงเกิดขึ้นจากกิตใจมากที่สุดปันว่าสินใสสีโหรสังทองตามเอานางสุบุณธากลับคืนมาสุมนธา แต่ก่อนเป็นสุมนทาต่อมาเมื่อไปอยู่ในยักษ์เราก็เป็นมนทามนทาแปลว่ามณฑินสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายแปลว่าบริสุทธิ์ต้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอากิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันไปหลงไปโกรธไปทุกข์มันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวม ถ้าเราไม่หลงตรงนี้เราก็เป็นผลกระทบต่อชนรวมในทางที่ดีแต่ยินบ่กที่ต่องอยู่